คณะศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อก็เห็นเออวันนี้ทําไมมีศรัทธาญาติโยมมามากกว่าทุกวันพอมาดูแล้วก็เป็นวันพระนีหลวงพ่อลืมไปทางวันพระนะคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพราะมีภารกิจธุรกิจอยู่แต่ถึงยังไงพวกเราถึงวันพระอย่างนี้แหละอย่างวันนี้แหละถึงวันพระแปดค่าสิบห้าค่ำก็ให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 ไม่ควรทำอันไหนควรทำอักเกตอบับดเล็กอบับดน้อยอันไหนเป็นอบับด์ฐานนี้จากกลุ่มใหญ่ไปหากลุ่มเล็กเป็นอาบั์ทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อได้ศึกษาหมดในหลักธรรมวินยัยแต่จำได้หมดไหมมันคงจะไม่หมดเพราะว่าวินัยมีตั้งเยอะแยะวินัยอาบด์ทุกกฎเนี่ยแต่สิน2ยีนั้นหลวงพ่อคิดว่าสวดได้จาได้นะ เพราะนั้นพวกคณะทายาติโยมพวกเราท่านทางหลายถึงจะไม่ให้ศึกษามากก็ให้ศึกษาในข้อปฏิบัติเจวัน เ, เป็นวันพระอย่างนี้ละหรือ15าค่ำาปดค่ำสิ้าค่ำก็เป็นวันธรร ม, มัตสวรรณะสำหรับพวกคณะทายาติโยมผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา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 พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่เคยศึกษาเลยในหลักธรรมคาสอนแปลว่าเป็นพุทธศาสนาในทะเบียนบ้านไกลๆห àng, ๆ่างๆไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นเราควรจะศึกษาพอเราเป็นพุทธบริษัทในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักสำหรับฆรวาวาสญาติโยมก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา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 227สิเ็ัมเนธ ร, รักษาศินสิบอันนี้คือศินและจากนั้นกับภาวนาก็เหมือนกันแต่สำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมทานและก็ศสินภาวนาทานพวกเราในฐานะเป็นครวัตญาติโยมมีพี่ลูกมีหลานมีพี่มีน้องวงศาคนาญาติมีประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องมีการเสียสละ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 พ่อแม่พี่พี่น้องน้องญาติโกโหติกาที่ผู้เกี่ยวข้องเสียสละให้กับเราให้อาหารเราดูแลเราเราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อเอื้ออารีอารีจากท่านเหล่านั้นแนวทานะคือท่านเสียสละให้กับเราในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมารู้เลี้ยงสาภาวะช่วยตนเองได้เมื่อช่วยตนเองได้ก็ออแล้วก็สะแสวงหาทรัพย์ แล้วเราก็ต้องมองช่วยคนอื่นอีกเหมือนกันช่วยลูกของเราช่วยหลานของเราช่วยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ของเราที่เท่าแก่ชรานี่ยหละการเสียสละจุดนี้แหละคือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าทานะคือการเสียสละยาค้ะเนี่ยคือการเสียสละทำให้ปัจจัยสี่ข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้านุ่งหม่ม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 เนว่าอภัยา ท, าทานธรรมทานก็อย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนนะลูกหลานคณะสัตยาญาิโ ย, ยมทําตนอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้นะปฏพฤติตนอย่างนี้นะ่ะคิดอย่างนี้น่ะทำอย่างนี้น่ะพูดอย่างนี้นะจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถูกตามถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถูกทํานองครองธรรม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 เนี่ยว่าชาตรูปรชาชตาปติกหาหะคือมาให้รับเงินและทองฮะอันนี้คือสินสิทธิ์สมเณเณรสินของพระละเอียดเข้าไปอีกถึงสองอสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดศินสองรี่สิบคือศิลมาในพระปฏิโม สินอภิสมาจาร์เนี่ยสินนอกพระปฏิโมกเป็นหมื่นนะลูกหลนานคณะจตหาญาดโยมลูกหลานที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังไว้ที่ว่าเราเป็นพระในกลุ่มใหญ่ไปลงอุโบสถในกลุ่มเล็กอย่างไรมันสินในอภิสมาจาร์สินนอกพระปฏิโมกนะไม่ใช่ศินมาในพระปฏิโมกปฏิโมก็คือเราสวดทุกวันพระสองรอยยี่สิบเจอันนี้ก็คือพระสงฆ์รักษาศิน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 จึงว่าภาวนาหรือสมาธิให้เข้าจุดนี้ให้เข้าประตูนี้เหมือนเราจะเรียนกอไก่เราจะเรียนกอ ไ, ไก่เราจะเรียนภาษาไทยเราต้องเรียนกอไก่ก่อนกไก่นี่แหละถ้าจะเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้อง A ก่อนะแล้วกับบีซีไปเรื่อย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 เป็นพื้นฐานแล้วค่อยเดินสมถค่อยเดินวิปัสสนาเ่นี่แหละในหลักรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทานสำหรับฆราวา์ญาติโยมพาอมีการท ร, รมาหาเลี้ยงชีพทานศีลรักษาศีล5้ารักษาศีลอุโบสถ ภ, ภาวนาเนี่ยละภาวนาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจา้า สําหรับพระศีลพระไม่ทานไม่มีเลยเพราะเขามาบูชเป็นยูนิฟอร์มนี่แหละไม่มีอะไรแล้วเสียสละตัดออกหมดถ้ามีไร่มีนามีรั้วมีสวนขะมอบให้ลูกให้หลานใ ห, ให้ครอบให้ครัวให้แก่ไครๆให้ทายาทไปหมดแล้ว เ, เลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็พยายามทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอีก เ, อเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่ทําตนให้เขาเลี้ยงง่าย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 เพราะั้านพวกเราให้จังเกต ด, ดูที่หลวงพอ่อพูดที่จริงไหมนะต่อนนี้ไปรับพร น, นะเจนีนะอนุโมทนาให้พร